บทที่หนึ่งบนเส้นพรมแดนร่างกายคือพาหนะหรือเครื่องอาศัยชั่วคราวในการบรรยายเรื่องโลกทิพย์ภาคหนึ่งเกี่ยวกับประสบการณ์ของรูดเอ็ดวินและข้าพเจ้านั้นมีผู้ทักท้วงว่าคงจะต้องมีผู้ไม่ยอมเชื่อในรายการบางอย่างบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่มีนิสัยเป็นนักคิดหาเหตุผล ก็ย่อมมีอยู่บ้างและกระแสความคิดของบุคคลเหล่านั้นก็ได้ถูกส่งมาให้เรารับรู้ในโลกทิพย์เหมือนกันมีบางท่านคิดและก็ได้ออกความเห็นให้บรรดามิสหายฟังว่าข้อความที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมานั้นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะเหตุที่ว่าดีเกินไปนั่นเองสภาวะเช่นนั้นเป็นสภาวะที่ดีวิเศษเลเกินจนกระทั่งไม่น่าเชื่อว่า จะมีได้เป็นได้ถึงขนาดนั้นดังนั้นข้อความที่ข้าพเจ้าบรรยายไว้ก็น่าจะเป็นมโนภาพที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาจากจินตนาการหรือฝันเอาเองเสียมากกว่าอันที่จริงเรื่องเช่นนี้ก็น่าเห็นใจอยู่และท่านเชื่อหรือไม่ว่าทัศนะเช่นนี้มิได้มีแต่เพียงบางท่านที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นแม้ผู้ที่ผ่านจากโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกที่ใหม่ ก็มีอยู่เป็นจานวนไม่น้อยที่ไม่ยอมเชื่อโดยในยะดังกล่าวแล้วเหมือนกันในระยะแรกๆความสวยสดงดงามตรการตาของธรรมชาติรอบตัวของเขามีมากเกินกว่าที่เขาจะเชื่อได้จริงๆว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆโดยไม่ใช่เป็นเพียงความฝันไปชั่วครู่ชั่วยามแต่ในระยะต่อมาในเมื่อเขาได้สานึกและเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่า เขาจะมีความปีติปราโมวนสักเพียงใดดังนั้นเมื่อผู้ที่แม้มาเห็นด้วยตาได้สัมผัสด้วยมือตอนเองยังไม่ค่อยจะยอมเชื่อเช่นนี้แล้วการที่บางท่านที่เพียงแต่ได้อ่านคำบรรยายบอกเล่าทางตัวหนังสือจะไม่ค่อยยอมเชื่อโดยง่ายนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่มากทีเดียวแต่นั่นแหละความจริงของสิ่งทั้งหลายย่อมดารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าเราหรือใครจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เอ็ดวินรูธและข้าพเจ้าได้เห็นแล้วนั้นก็ยังมีอีกหลายล้านท่านที่ได้ประสบพบเห็นมาแล้วกำลังประสบพบเห็นอยู่แล้วก็กำลังสวยสุขอยู่อีกด้วยเราทุกคนในโลกทิพย์จะไม่ยอมให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเห็นของชาวโลกมนุษย์เป็นอันขาดแม้แต่น้อยหนึ่งสิ่งทั้งหลายรอบตัวเรานี้เป็นชีวิตของเราอย่างแท้จริง มันให้ความผาสุกและความพอใจแกเราอย่างสูงสุดและเมื่อถึงเวลาที่พวกเราท่านใดท่านหนึ่งจะต้องเลื่อนขึ้นไปสู่ภูมิที่อยู่สูงขึ้นไปตามชั้นแห่งความประนีตแห่งจิตของท่านนั้นๆท่านก็ไม่เคยคิดว่าภูมิที่ท่านสถิตอยู่แต่เดิมในบนัดนี้ไม่สมควรแก่ท่านด้วยประการใดเลยการที่ท่านได้มาอยู่ในภูมิเช่นชั่วระยะเวลาหนึง่งหนึ่งนั้นยจะคงเป็นความทรงจาที่สดชื่นอยู่ตลอดไปนานแสนนาน และท่านเหล่านั้นจะกลับลงมาที่ภูมิซึ่งท่านเคยอยู่มาแต่เดิมเมื่อใดก็ได้ตามปรารถนาบุคคลเป็นจํานวนมากเหลือเกินในโลกมนุษย์พอใจที่จะปล่อยเรื่องโลกหน้าไว้ตามเรื่องของมันเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่คืนไปคิดถึงหรือเอาใจใส่เข้าก็จะทำให้ไม่สบายใจไปเปล่าๆโดยที่เมื่อคิดถึงเรื่องโลกหน้าก็จะต้องคิดถึงเรื่องความตาย ซึ่งจะทำให้ใจหดหูว่าเสียวไปด้วยใจเหตุอันที่จริงถ้าบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นยอมหันมาพิจารณาความจริงในใจของเขาดูบ้างก็จะต้องยอมรับว่าทัศนะของจิตดังกล่าวมาแล้วนั้นกลับจะยิ่งเพิ่มความกลัวตายและความเขลานี้เรื่องโลกหน้าทำให้เกิดความสับสนยุ่งเหยิงหนักขึ้นเสียด้วยซ้าชาวโลกมนุษย์ส่วนมากมีความเชื่ออย่างผิดๆว่า การปัดความคิดเรื่องโลกหน้าและความตายออกไปจะทำให้ความกลัวอันเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์ทุกคนน้อยลงไปโดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่าชาวโลกมนุษย์ไม่มีความรู้เสียเลยว่าโลกหน้าอันเป็นสถานที่ที่เขาจะต้องไปถึงเข้าวันหนึ่งมีสภาพเป็นเช่นไรเพราะความที่ตนไม่เคยได้คิดถึงอย่างจริงจังนั่นเองบุคคลประเภทนี้เองเมื่อมาสู่โลกทิพย์หลังจากมรณกรรมแล้ว ก็มักจะคร้ามครวนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าโถเอ้ยนี่ทําไมจึงช่างไม่มีใครบอกให้ฉันรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เสียบ้างเลยทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากความเขา่าที่มนุษย์มิได้รู้ว่าตนเองประกอบขึ้นด้วยส่วนใดบ้างแน่ละ่ะเขาย่อมรู้และคิดว่าเขามีร่างกายและเป็นร่างกายนั้นด้วยคงไม่มีใครลืมข้อนี้ได้ง่ายๆแต่เขาหารู้ไม่ว่า การที่เขาจะต้องละทิ้งร่างกายนี้ไปโดยวิธีที่ชาวโลกสมมุติเรียกกันว่าตายแล้วเข้าสู่โลกทิพนั้นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอันเป็นปกติภาวะประการหนึ่งเหมือนกันซึ่งเขาทุกคนจะต้องผ่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มนุษย์ในสมัยปัจจุบันพากันภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นความสาเร็จ อันน้ามหาัศจรรย์ของยุคปัจจุบันในทางวิทยาศาสตร์แต่เขาหารู้ไม่ว่าแม้เขาจะได้ทุ่มเทงเงินทองและเวลาตลอดจนความภาคเพียรเพื่อศึกษาวิทยาการดังกล่าวแล้วอย่างมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่เขาก็ลืมศึกษาถึงเรื่องของตนเองเสียสนิทเขาช่างไม่ยอมศึกษาเสียเลยว่าหลังจากชั่วระยะเวลาอันแสนสั้นที่เขาจะอยู่ในโลกนี้ได้แล้วนั้นเขาจะมีอนาคตเป็นอย่างไร กล่าวอย่างตรงไปตรงมาก็คือหลังจากที่เข้าตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาจะต้องเดินทางไปไหนด้วยอาการอย่างไรโดยทั่วไปเราก็เข้าใจกันว่ามนุษย์ประกอบขึ้นด้วยร่างกายคือบอดี้จิตคือโซและวิญญาณสปิริตเรื่องร่างกายนั้นดูไม่จำเป็นจะต้องกล่าวบรรยายเท่าใดนัก เราเป็นของปรากฏจมชัดอยู่แล้วแต่อีกสองส่วนนั้นเล่าเขาช่างมีความรู้น้อยเสียเหลือเกินเขาควรจะรู้อย่างยิ่งว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของเขาทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นก็คือวิญญาณ น, นั่นเองส่วนร่างกายนั้นเป็นเพียงพหาหนะหรือเครื่องอาศัยเพื่อให้วิญญาณได้เดินทางผ่านไปในโลกมนุษย์นี้เท่านั้น จิตสำนึกนั้นขึ้นอยู่กับจิตใต้สานึกหรือไร้สานึกประสบการณ์ทั้งหลายที่เราได้เสวยหรือผ่านไปในชีวิตประจำวันของเรานั้นได้ถูกจารึกไว้ยังไม่มีผิดพลาดและอย่างไม่มีวันลบเลือนไปได้ลงที่จิตส่วนไร้สำนึกโดยอาศัยผ่านทางเครื่องมือของร่างกายคือมันสมองดังนั้นคาพูดการกระทำและความคิดของเราทุกขณนะทุกอย่าง จะฝังรอยไว้ที่จิตส่วนใต้สานึกดังกล่าวแล้วนี้ทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องละทิ้งกายเนื้อคือจากโลกนี้ไปเขาก็จะปล่อยกายเนื้ออันเป็นพาหนะหรือเครื่องอาศัยชั่วคราวนี้ไว้เบื้องหลังตลอดการและจากนั้นก็เข้าสู่โลกทิพย์อันเป็นภูมิของจิตกายส่วนที่สำเร็จด้วยจิตล้ว น, วนของเขาในขณะนั้น ก็จะเป็นเช่นเดียวกับกายเนื้อที่เขาได้ละทิ้งมาต่อจากนั้นเขาก็จะได้เห็นความจริงที่ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกในขณะที่เขายังรองกายเนื้ออยู่นั้นเริ่มแสดงบทบาทของมันมากขึ้นกว่าเดิมคือค่อยๆกลายเป็นจิตสำนึกมากขึ้นทุกทีและในเวลาต่อมาไม่ช้านักเขาก็จะได้ประจักษ์ถึงอิทธิพลของจิตใต้าสานึกของเขาเองมากขึ้นโดยลาดับ เนื่องด้วยจิตมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเก็บสะสมทะเบียนประวัติความเป็นมาในหโหลังต่างๆได้อย่างละเอียดและวิจิตพิสดารและไม่ผิดพลาดไม่ลบเลือนเช่นนี้รอยพิมพ์ใจที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตโดยที่เจ้าตัวเองก็แทบจะไม่รู้สึกนั้นก็จะปรากฏเด่นชัดออกมาในขณะนั้นและเปิดเผยให้เห็นสันดานหรือท่าแท้ของบุคคลแต่ละคนอย่างแท้จริง ปรากฏการ์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ใหม่ๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของชาวโลกมนุษย์ทั่วไปที่ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องคิดว่าโลกทิพย์และวิญญาณที่อยู่ในโลกทิพย์นั้นเป็นสภาพที่มีอยู่เพียงเงาเงาไม่มีแก่นสารที่จะทรงตัวอยู่ได้อย่างถาวร บุคคลประเภทนี้ย่อมคิดว่าผู้ที่อยู่ในโลกทิพย์ย่อมอยู่ในสภาพตามรามกว่าผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์เพราะเหตุผลอย่างเดียวคือว่าเขาเหล่านั้นได้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วดังนั้นจึงถือการเป็นเรื่องสามัญสำนึกว่าการอยู่ในโลกมนุษย์เป็นเรื่องปกติวิสัยเป็นเรื่องที่ผาสุกและเป็นเรื่องโชคดีส่วนการตายจากโลกมนุษย์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องของความทุกข์และโชคร้ายแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นการทําให้หลายเห็นไปว่ากายเนื้อเป็นสิ่งสําคัญกว่าอย่างอื่นและทําให้หลงผิดไปว่าสภาพของวิญญาณของเขาจะแสดงอาการออกมาได้ก็ต่อเมื่อหลังจากการแตกทําลายของกายเนื้อเท่านั้นซึ่งอันที่จริงแล้วเมื่อเขาเริ่มหายใจเป็นครั้งแรกในโลก สภาพแห่งวิญญาณของเขาก็ได้แสดงอาการออกมาพร้อมกันเลยทีเดียวดังนั้นกระบวนการที่เราเรียกว่าความตายนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติจย่งแท้จริงอาจใช่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องตกใจกลัวแต่อย่างใดไม่ส่วนการที่บุคคลผู้ที่เรารักใคร่ชอบพอต้องจากกันไปด้วยความตายของฝ่ายหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจที่อีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องรู้สึกอะไรหรือเศร้าโศกบ้างในเมื่อหลังจากนั้นเขาจะไม่ได้เห็นกันอีกต่อไปแต่ส่วนมากความเศร้าโศกดังกล่าวมักเป็นไปเกินกว่าสมควรเพราะเหตุที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้ถึงธรรมชาติของความตายนั่นเองศา ส, สนาในโลกควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการที่ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความหลงผิด และต้องได้รับความทุกข์ใจโดยไม่สมควรซึ่งได้ถือกันแล้วว่าฝ่ายที่ได้จากไปแล้วนั้นก็ได้เดินทางไปสู่ดินแดนมีพระผู้เป็นเจ้าปกครองอยู่และจะต้องพิพากษาตัดสินความดีความชั่วของผู้ที่เรารักใคร่ชอบพอที่จากไปแล้วนั้นดังนั้นศา ส, สนาทั้งโลกจึงแนะนําว่าพวกเราทั้งหลายที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี้จะต้องประพฤตินตนให้เคร่งครัดและทําหน้าที่ให้เคร่งครัดเพื่อสวดอ้อนวอนให้พระองค์ ตัดสินพิภากษาโทษของผู้ที่จากไปนั้นด้วยพระมหากรุณายิ่งขึ้นแต่สำหรับวิญญาณที่ละโลกมนุษย์นี้ไปแล้วจะไม่คิดเช่นนั้นเลยบางจาพวกก็รู้สึกไม่พอใจที่ญาติพี่น้องไม่รู้สึกยินดีด้วยในเมื่อตนได้ไปอยู่สบายแล้วบางก็รู้สึกพิศวงที่ได้เห็นชาวโลกมนุษย์ที่ช่างโง่คลาเห็นปานนั้นและบางท่านที่มีนิสัยร่าเริง หรือเรียกว่าเส้นตื่นสักหน่อยก็จะหัวเราะสยกใหญ่ทีเดียวและก็สำหรับพิธีรีตองต่างๆที่มนุษย์คิดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ตายหรือเกี่ยวกับความตายนั่นเล่าบางท่านอาจสงสัยว่าจะมีประโยชน์อย่างใดบ้างไหมข้าพเจ้าขอตอบว่าไม่มีประโยชน์หรือซาระแต่อย่างใดเลยการไว้ทุกข์ให้ก็ดี การดึงมา่านลงเพื่อให้ห้องมืดสมเป็นห้องของผู้ตายก็ดีการตีสีหน้าเคร่งเครียดก็ดีและกิริยาท่าทางที่แกล้งทำให้เห็นเป็นว่าเต็มไปด้วยความเศร้าโศกก็ดีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยดวงวิญญาณที่กําลังเดินทางไปสู่โลกทิพย์ได้แต่ประการใดเลยมีน้ำซ้ำส่วนมากกลับเป็นเครื่องขัดขวางสกัดกั้นทาให้วิญญาณของผู้จากไป มีความกังวลโดยไม่จำเป็นเสอีกแต่เรื่องนี้ข้าพเจ้าจะได้กล่าวต่อไปในตอนหลังในตอนนี้ข้าพเจ้าใกล้จะขอบรรยายท่านทราบว่าความตายนั้นเป็นเรื่องง่ายๆสามัญและเป็นไปตามธรรมดานั่นเองและการพูดถึงหรือการศึกษาถึงเรื่องของความตายก็เป็นเรื่องที่ปกติสามารถทำได้โดยไม่ต้องวิตกว่าจะเป็นเรื่องอัปมงคล หรือทำให้เกิดโชคร้ายแต่อย่างใดเลยโดยที่คำนึงถึงว่าวิญญาณที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาครองกายเนื้อในโลกมนุษย์นี้ทุกคนสักวันหนึ่งก็จะต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนที่สุดในเมื่อร่างกายเนื้อหมดสมรรถภาพไม่สามารถจะให้อยู่เป็นพหาหนะเดินทางหรือเป็นเครื่องอาศัยได้อีกต่อไปดังนั้นข้าพเจ้าจะได้เริ่มบรรยายจับตั้งแต่การแตกทาลาย หรือการหมดสมรรถภาพของกายเนื้อเป็นต้นไป